มีบุญจริงแบบพุทธต้องเจริญสติเป็นเวลาพูดถึงคนมีบุญเรามักนึกถึงคนมีเงินหลักพันล้านมีอำนาจบารมีพร่างพร้อมบริวารหรือมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกซึ่งทางพุทธเราก็รับรองอยู่ว่าถ้าทานและศีลดีล่าวคือเคยช่วยคนไว้มากเคยห้ามใจไม่ทำบาปได้ตลอดเกิดใหม่จะมั่งมีสีสุข มีอำนาจราชศักและชื่อเสียงขจรกระจายหอมหวนอย่างไรก็ตามทานเป็นบุญระดับล่างศีลเป็นบุญระดับกลางซึ่งไม่ได้รับประกันความฉลาดทางจิตอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทางใจหมายความว่าต่อให้เป็นมหาเศรษฐีบารมีเรื่องลือชื่อเสียงฟุ้งเฟืองปานใดก็เป็นแค่ผลบุญระดับต้นและกลางเท่านั้น ในที่สุดก็อาจบุญไม่พอที่จะเป็นสุขทางใจทางพุทธเราถ้ามีบุญจริงต้องถึงพร้อมซึ่งทานบารมีศีลบารมีและสติบารมีด้วยกล่าวคือมีสติตื่นรู้เห็นว่าคิดแบบไหนปั่นป่วนเห็นว่าวิธีพูดอย่างไรใจร้อนเห็นว่าหุนหันทำท่าใดเป็นทุกข์ ไม่ตามกิเลสเหมือนมันเป็นมิตรแต่นี้กิเลสเหมือนมันเป็นศัตรูกับทั้งได้รู้ซึงว่าของของเราเป็นแค่กรรมเสดชั่วกราวไม่มีอะไรเป็นสมบัติจริงแม้แต่ศพของเรามีบุญคือมีสุขอยู่บนกองทุกขการคิดน้อยแลรู้มากทิ้งความทุกข์ได้ง่ายง่ายอยู่กับความสุขได้ง่ายง่าย จะเป็นตัวกรองเลือกชิ้นส่วนความสุขอื่นๆแค่เห็นคนก็รู้ว่าคบใครแล้วไปดีด้วยกันได้แค่เจอโจทย์เลขก็รู้ว่าต้องมองตรงไหนถึงจะแก้ถูกทุกอย่างในชีวิตจึงเรียบง่ายไปหมดดูมีพร้อมมีพอและมีพวกไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกต้องมีอะไรเกินไปกว่านั้นนั่นแหละคนมีบุญจริง แบบพูด